วันนี้พวกเราก็ได้มารวมกันเพียนสร้างความเพียงปฏิบัติศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลการที่เราจะได้รับผลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องมีความเพียรกันมีความอุตสาหะวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะหมั่นศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติเพราะการได้ยินได้ฟังคําสอนเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยังประโยชน์ยังให้ผลเกิดขึ้นมาได้ผลจะเกิดก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติแต่การปฏิบัติที่จะทําให้เกิดผลก็ต้องอาศัยการศึกษาต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่ศึกษาแล้วปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ถูก เมื่อปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นการศึกษาและการปฏิบัติจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการบรรลุผลต่างๆและการที่จะบรรลุผลต่างๆขึ้นมาได้ก็อยู่ที่ความภาคเพียรที่จะหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติ นั่นเองอย่างที่พวกเราได้หมันมากันเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์มาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเราก็จะได้รู้หรือได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความสงบความผ่องใสของจิตใจและจะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆไปได้ ต้องอยู่ที่การฟังเทศน์ฟังธรรมและการจะฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆก็ต้องฟังด้วยความตั้งใจใจต้องจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมไม่ควรที่จะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพราะจะ ไม่สามารถรับรู้เสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูได้เพราะใจไปบริกา ร, รพุโทโธอยู่การบริกรรมพุโทโธนี้หรือการเจริญสติเช่นดูลมหายใจเข้าออกควรจะเป็นเวลาในที่เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม พอจะถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ตั้งใจฟังเสียงธรรมเสียงที่เข้ามาให้เรารับรู้ก็จะเป็นเหมือนกับเสียงนกเสียงกาไปเราจะไม่เข้าใจความหมายจะไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจะไม่ สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจะไม่กำจัดความลังเลสงสัยแต่อาจจะทำให้ใจสงบได้เพราะเป็นการฟังแบบสมัะเพื่อสมัะไม่ได้ฟังเพื่อวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงถ้าความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องตั้งใจฟัง แล้วก็พิจารณาตามเหตุผลของธรรมที่ได้แสดงให้ฟังถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาและเกิดมรรคผล ข, ขึ้นมาได้ดังนั้นเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมเราควรจะดิกเรี่ยงการภาวนาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเพราะจะทำให้เราไม่ได้ฟังเสียงธรรมนั่นเองเวลาเราฟังธรรมนี้เราใช้ธรรมเป็นที่ตั้งของสติเรียกว่าธรรมานุสติเหมือนกับเวลาที่เราบริกรรมพุทโธนี้เรียกว่าพุทธานุสติ หรือเวลาที่เราดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปณะสติทั้งสามวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบแต่วิธีที่ที่ใช้คือธรรมานุสตินี้จะได้ประโยชน์สองต่อคือนอกจากได้ความสงบแล้ว จะได้ปัญญาด้วยได้ความเห็นที่ถูกต้องถ้าบริกรรมพุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวนี้จะไม่เกิดปัญญาจะได้เพียงสมัตคือความสงบหรือการดูลมหายใจเข้าออกก็เช่นเดียวกันจะได้เพียงแต่ความสงบจะไม่ได้ปัญญาแต่เวลาฟังธรรมนี้ จะได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาดได้สัมมาทิฏฐิและต้องมีปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถทําให้หลุดพ้นได้ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้สัมปทาคือความสงบนี้ไม่สามารถที่จะทําให้ใจหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ไม่สามารถดับกิเลสตัณหาได้ คือไม่สามารถดับได้อย่างถาวรดับได้เพียงชั่วคราวเวลาที่ใจสงบอยู่ในสมาธิกิเลสปัญหาก็ไม่สามารถทำงานได้ก็เหมือนตายไปแต่เวลาออกจากสมาธิมากิเลสก็จะฟื้นคืนขึ้นมาแล้วก็ออกมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจต่อไป แต่ถ้ามีปัญญาใช้ปัญญาก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรเพราะปัญญานี้จะไปถอดถอนรากของกิเลสตัณหารากของกิเลสตัณหาก็คืออวิชชาโมห oh ะความไม่รู้ความจริงความหลงนี่เองต้องใช้ความรู้ความจริง ถึงจะแก้ความไม่รู้ได้เหมือนกับเหมือนกับเวลาที่หลับตากับลืมตานี้จะเห็นความจริงไม่เหมือนกันเวลาหลับตาเราจะเห็นความจริงไปตามจินตนาการของเราแต่เวลาเราลืมตานี้เราจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงของที่ของสิ่งที่เราเห็น นี่คือความแตกต่างของสมรถะและวิปัสนาหรือของสมาธิและปัญญาแต่ก็จำเป็นจะต้องมีทั้งสองส่วนสนับสนุนกันถึงจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่คือถ้าปัญญาไม่มีสมาธิสนับสนุนปัญญาก็จะไม่มีกำลังที่จะ ถอนรากถอนโคนของอวิชชาโมหะหรือของกิเลสตัณหาได้ถ้ า, ามีสมาธิจะมีกำลังจะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้คือหยุดมันได้อย่างเวลาที่เราฟังธรรมนี้ เราก็จะได้ปัญญาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้จะไม่มีกําลังพอที่จะสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาปัญญานี้จะไม่มีกําลังพอเช่นเราได้ยินได้ฟังว่า การดื่มสุรานี้ไม่ดีแต่ถ้าเรายังชอบดื่มสุราอยู่เวลาเกิดความอยากดื่มสุราขึ้นมาเราจะไม่สามารถที่จะสู้กับความอยากที่จะดื่มสุราได้เราก็จะต้องดื่มสุราต่อไปหรือความอยากอย่างอื่นเช่น อยากรับประทานอาหารมือ้อเย็ยนอย่างนี้ก็จะทําให้ไม่สามารถรักษาศีลแปดได้ถ้าอยากจะรักษาศีลแปดก็ต้องรักต้อ ง, ต, องต้องไม่อยากรับประทานอาหารเย็ยนแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีกําลังไม่มีความสงบเราจะไม่สามารถรักษาศีลแปดได้ เพราะว่าใจเรายังอยากรับประทานอาหารจะเกิดความรู้สึกทรมานใจเวลาตอนเย็นเวลาเกิดความอยากรับประทานอาหารขึ้นมาคนที่ไม่รักษาศีลแปลดกันก็เพราะว่ายังไม่มีกำลังยังไม่มีความสงบพออันนี้เป็นการยกตัวอย่างแต่ถ้าคนที่ นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งจะมีกำลังพอที่จะรักษาศีลแปดได้จะมีกำลังที่จะต้านความอยากที่ศีลแปดห้ามไม่ให้กระทำได้เช่นความอยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบพอก็จะสู้ไม่ได้ หรือการอยากจะดูพวกมโหรสศ พ, ศพเครื่องบรรเทิงต่างๆหรือการออกไปข้างนอกไปงานเลี้ยงไปไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งบรรเทิงต่างๆถ้าใจไม่มีความสงบพอก็จะต้านความอยากไปไม่ได้หรือแม้แต่การหลับนอน ก็จะอยากจะหลับนอนอย่างสบายอยากจะนอนบนฟูกหนาๆ น, นอนนานๆถ้าไม่มีความสงบก็จะทำไม่ได้นี่คือตัวอย่างของปัญญาที่เรียกว่าเป็นปัญญาที่ยังไม่มีกำลังพอที่จะถอดถอน ารากเงาของตัณหาความความอยากได้ต้องพยายามเจริญสติเพื่อให้เกิดมีสมาธิขึ้นมาถ้ามีสมาธิแล้วก็จะรักษาสินแตดได้อย่างง่ายดายจะรักษาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ปัญญานี้ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ําเสมอมาเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควรพวกเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรพวกเรารู้ว่าเราต้องหยุดตัญหาถ้าเราอยากจะ บุดพ้นจากความทุกข์แต่พอเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาเรากลับหยุดตัณหาไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีสมาธิกันเราไม่เคยนั่งสมาธิทำจิตของเราให้สงบให้รวมเป็นหนึง่งให้เลื้ดแต่อุบเบกขาสักแต่ว่ารู้ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิแล้ว ทำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตตารมได้เป็นสัตว์แต่ว่ารู้ได้เวลาออกจากสมาธิานี้จะมีกำลังถ้าใช้ปัญญาต่อสู้กับตันหาเวลาเกิดตันหาก็จะสามารถสู้ตันหาได้ละตัญหาได้เช่นเวลาเกิดกามารมณ์ขึ้นมา ก็ใช้อสุภะได้พิจารณาซากศพได้พิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายได้พอพิจารณาไปแล้วความอยากคือการมลลมก็จะดับไปแต่ถ้าไม่มีสมาธิเวลาเกิดการมาลรมนี้จะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอสุภะจะไม่มี กำลังที่จะพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะดับกามาลงได้ก็จะไม่สามารถรักษาศีลแปดได้ก็จะรักษาได้เพียงศีลห้าคือยังต้องเสพกามอยู่เพียงแต่ว่าเสพกามกับคู่ครองของตน ือไม่ประพฤติผิดประเวณีแต่ยังไม่สามารถถือศีลพรหมจรรย์ได้คือละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้ต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาถึงจะสามารถทำลายความหลงทำลายตัณหา ความอยากได้ดับความทุกข์ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้อยู่ที่การศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติได้ยินได้ฟังรู้หมดรู้ว่ากิเลตนาเป็นภัยกับจิตใจ แต่เวลากิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาแทนที่จะฆ่ากิเลสกับกราบเท้ากิเลสนับใช้กิเลสตัณหาสั่งให้ไปทำอะไรก็ไปทำตัณหาอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ลูกเสียงกลิ่นลดทพัพะ ก็รีบไปทำตามตันหาตามคำสั่งของตันหาทันทีแทนที่จะต้านแทนที่จะฝืนแทนที่จะไม่กระทำตามก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีกำลังไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองได้แต่ฟังทำอย่างเดียวไม่ได้เอาทำที่ได้ยินได้ฟังไปเจริญไปปฏิบัติ ทำที่เราต้องปฏิบัติก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสงบใจเป็นสมาธิใจเป็นหนึ่งใจเป็นอุเบกขาได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการ บริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็ให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวหรือการดูลมหายใจเข้าออกก็ให้อยู่กับเรื่องของลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้จดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ไปรับรู้เรื่องอื่นรู้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นหนึ่งได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผู้ที่ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผล ก็ไม่รู้ว่าเหตุที่นั่งแล้วไม่ได้ผลเกิดจากอะไรบางทีก็ไปคิดว่าได้กรรมฐานที่ไม่ถูกจริญนะเพราะเคยได้ยินได้ฟังว่าคนเรามีจริตอยู่หลายแบบด้วยกันจริญแต่และเจริตก็ต้องใช้กรรมฐานที่ไม่เหมือนกันเช่นรูาคะจริตก็ต้องใช้อสุภะ ถ้าโมหะเจริญก็ต้องใช้อานาปนาสติถ้าสัทธาจริญก็ต้องใช้พุท ธ, ธานุสติในความจริงในใจของพวกเราทุกคนนี้มีจริญต่างๆเพียงแต่ว่าตัวไหนจะโผล่ขึ้นมาก่อนตัวไหนจะมีกำลังมากกว่า ดังนั้นเวลาเราใช้กรรมฐานให้ถูกเจริญเราก็ต้องดูว่าตอนตอนนี้กิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาถ้าการมาราคะโผล่ขึ้นมาก็ต้องเจริญอสุภะใช้การเจริญอสุภะเป็นเป็นกรรมฐานเพื่อทำใจให้สงบถ้าเกิดโทสะขึ้นมาก็ต้องใช้เมตตาภาวนา เป็นการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบถ้าไม่มีถ้ามีความลังเลสงสัยไม่มั่นใจไม่แน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน แต่ไม่ว่าจะใช้กรรมฐานอันไหนต่อจริญอันไหนถ้าไม่มีสติกำกับอยู่ก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เพราะจะไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างต่อเนื่องได้นั่นเองใจก็จะไม่สงบใจก็จะฟุ้งซ่าน ถ้าเวลาโกรธก็จะโกรธไปเรื่อยๆแผ่เมตตายังไงก็แผ่ไม่ออกเพราะไม่มีสติดึงให้มาแผ่มัวแต่ไปติดอยู่กับสิ่งหรือบุคคลที่ทำให้เกิดความโกรธยิ่งคิดถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความโกรธความโกรธก็จะยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีสติดึงออกมามันก็จะ สงบไม่ได้แต่ถ้ามีสติดึงมาให้แผ่เมตตาเช่นจเจริญบทสัสเพสัตตาอเวราหนตุจงอย่ามีเวรกันเถิดอัพปายาป ช, ชาหนตุจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดสุขีอัตานังปะริหะอันตุจงมีความสุขเถิดถ้าเรามาจเจริญบทนี้ได้ เราก็จะเลื่อเมเรื่องเลิกบุคคลที่ทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเราก็จะทําใจให้สงบได้ดังนั้นปัจจัยที่สําคัญในการที่จะทําใจให้สงบนี้ไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานที่ถูกกับเจเ็ตเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอยู่ที่สติเป็นหลักถ้ามีสติแล้วแม้จะไม่ถูก กับเหตุการ์เช่นเกิดความกโกรธถ้าเราแผ่เมตตาไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเหตุการ์รือเรื่องหรื อ, ร อ, รอบุคคลที่ทำให้เราโกรธพอเราลืมแล้วความโกรธมันก็หายไปได้ถ้าใจเกาะติดอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องลืมเรื่องราวเหตุการณ์ต่า ง, างๆหรือบุคคลที่ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมา ความโกรธนั้นก็จะหายไปเพียงแต่ว่ามันจะหายไปชั่วคราวเพราะสติหรือสมาธินี้ไม่สามารถทําลายความโกรธได้อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาถ้าอยากจะไม่โกรธกับเหตุการณ์นั้นหรือกับบุคคล น, นั้นก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าบุคคล น, นั้นรืหรือเหตุการณ์นั้น เป็นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามเขาได้เขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้สั่งได้ก็คือใจของเราใจของเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ ที่เราสั่งไม่ได้เราไม่โกรธฝนฟ้าอากาศเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะตกหรือไม่ตกนี่เราทําอะไรไม่ได้เราก็เลยไม่ไปอยากให้เขาตกหรือไม่ตกฉะนันคนที่ทําอะไรกับเราเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาก็เป็นเหมือนฝนฟ้ากัเขาอยากจะพูดไม่ดีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราอยากจะให้เขาพูดดีเราก็สั่งเขาไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาตายรักคือ อนตัตตาสัพเพธรรมาอนตัตตาทำทั้งหลายไม่มีตัวตนไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของใครทำทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยทําให้เขาเป็นอย่างนั้นคนที่เขาพูดไม่ดีก็เพราะว่าเขาคิดไม่ดีเหตุที่ทําให้เขาคิดไม่ดีก็เพราะว่าเขาเคยคิดไม่ดีมาอยู่เรื่อยๆเป็นนิสัยของเขา เป็นกรรมของเขามาเขาก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทาอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะเจอใครก็ตามถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่พอใจเขาก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วจะเป็นการพูดจริงหรือไม่จริงก็ไม่สำคัญเขาตามพูดไปตามความคิดของเขาเราก็อย่าไปเดือดร้อนถ้าเขากล่าวร้ายเรา โดยที่เราไม่ได้ทำตามที่เขากล่าวร้ายเราดูความจริงเขาว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เราไม่ได้ทำเราก็ไม่ควรที่จะเดือดร้อนถ้าเราทำเราก็ควรจะเดือดร้อนไม่ว่าเขาจะว่าเราหรือไม่ว่าเราถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ควรจะแก้ไขถ้าเขาบอกเขาพบว่าเราแต่เป็นความจริง แทนที่เราจะโกรธเขาเราควรจะขอบใจเขาควรจะยกมือไหว้เขาเพราะผู้ที่ชี้โทษของเราได้ให้กับเราได้นี้ถือว่าเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะโทษของเรานี้มันไม่เป็นคุณกับเราโทษของเรามันเป็นโทษกับเรามันจะทำให้เราเกิดความเสียหายหต่อไปได้ถ้าเราระงับโทษของเราได้ ดับโทษของเราได้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาก็จะไม่เกิดนี่เราถึงต้องขอบใจเขาแทนที่จะไปโกรธเขาเราควรจะขอบอกขอบใจเขาเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้หวังดีทั้งหลายที่เขาเห็นเราทําอะไรที่ไม่ดีแล้วเขาก็เตือนเราบอกเราด้วยความเมตตา ด้วยความปาถนะดีแต่ถ้าเราฟังด้วยอารมณ์ฟังด้วยอัตตาตัวตนคืออารมณ์ของเราก็คือชอบสรรเสริญไม่ชอบนินทาไม่ชอบข้ารหาตำหนิติเตียนเราต้องพยายามล้างตัวนี้ออกไปให้ได้คือความไม่ชอบการได้ยินฟังดูด่าว่ากล่าวติเตียนเรา ถ้าเรากำจัดตัวนี้ได้เราจะได้รับประโยชน์จากการฟังอย่างฟังเทศน์นี้บางท่านถ้าไม่ชอบฟังบางเรื่องพอได้ยินก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนี้เราจะต้องได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่ชอบได้ยินได้ฟังกันเป็นเหมือนกินยาขม แต่ถ้าเราไม่กินยาขมเราก็จะไม่สามารถรักษาโรคของเราให้หายได้โรคของเราก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความหลงพอเราได้ยินเรื่องอสุภะอย่างนี้เราก็จะไม่ชอบฟังขึ้นมาหรือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่อยากจะฟังถ้าเรามีอคติ คือความไม่ชอบอย่างนี้อยู่ในใจก็จะทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่กระแสธรรมได้จะไม่สามารถทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมได้เพราะผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้นี้ต้องเห็นความจริงทั้งทั้งหมดไม่ใช่เห็นเพียงบางส่วนผู้ที่มีอคติมีความชอบนี้จะเห็นเพียงส่วนเดียวคือส่วนที่เจริญ เวลาเห็นแต่เกิดแต่ไม่เห็นเวลาแก่เห็นเวลาเจ็บเห็นเวลาตายที่เป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปเช่นเวลาใครได้ลูกมานี่โอ้ดี อ, อกดีใจกันใหญ่เลี้ยงฉลองวันเกิดกันแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นยังไงต่อไปเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอันนี้จะไม่อยู่ในความนึกคิด เลยแล้วพอใครมาพูดความจริงอันนี้ขึ้นมาก็จะโกรดได้เช่นถ้าเราไปงานวันเกิดของใครแล้วงานฉลองวันเกิดแล้วบอกเขาว่าเฮ้ hey, อย่าลืมนะเดี๋ยวมึงก็ต้องแก่มึงต้องเจ็บมึงต้องตายนะเนี่ยก็จะทำให้วงแตกได้เขาจัดงานฉลองวันเกิดเพื่อที่จะให้มีความสุขกันไอเราไปเอาเรื่องความจริงที่เขาไม่อยากจะฟัง ไปให้เขาได้ยินแทนที่เขาจะยกมือไหวขอบใจเราเขาก็จะโกรธเกลียดเราได้นี่คือความหลงที่มีครอบงมอยู่ในใจของมนุษย์เราเป็นส่วนใหญ่พอได้ยินได้ฟังส่วนที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแต่ถ้าฟังด้วยใจที่เป็นกลางจะได้รับประโยชน์ ก็จะได้รู้สึกตัวว่าตื่นจากความหลงบางทีเราลืมไปทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเราไม่คิดถึงมันมันก็เหมือนกับว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยไม่เชื่อลองถามตัวเราเองหรือว่าวันๆนหนึ่งเวลาเราทำงานทำอะไรนี่เราเคยคิดบ้างไหมว่าเราทำเพื่อเพื่ออะไร ทำเพื่อตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บตอนที่เราตายบ้างหรือเปล่าเราไม่เคยคิดเลยถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อเราตายเราทำไปทำไมทำไปแล้วเดี๋ยวก็ตายตายแล้วมันเป็นของใครไปเงินทองที่หามาแทบเป็นแทบตายนี่เวลาเราตายไปใครเอาไปใช้เราไปใช้ได้หรือเปล่าเราไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะมาคิดว่าเรามีอะไรที่เราเอาไปได้มากเอาไปใช้ได้มากเราก็จะได้ดูว่าอา๋อก็เราเอาบุญไปได้เราเอาการชำระใจที่สะอาดไปได้เราเอาการไม่ทำบาปไปได้แล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเพราะถ้าเราไม่ทำบาปได้เราก็ไม่ต้องไปอาบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปออกนรกถ้าเราทาบุญได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็ไปสวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าเราจเจริญปัญญา <Yeah. S 1> เห็นความเสื่อมเห็นความทุกในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความไม่แน่นอนเห็นความไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ในทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะตดดดัดความอยากได้หยุดความอยากได้เราก็จะบรรลุมรรคผลมิพานขั้นต่างๆได้ดับความทุกข์ขั้นต่างๆได้ด้วยปัญญานี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่ชอบฟังกัน งั้นเวลาใครเขาว่ากล่าวตาหนิตีเตียนเราหรือทักเราขอให้เราใช้ใจที่เป็นกลางฟังดูฟังดูว่าสิ่งที่เขาพูดนี้เป็นความจริงหรือไม่ถ้าเป็นความจริงแล้วเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เราควรที่จะขอบใจเขาเพราะเหมือนกับเขาชีข้ขุมทรัพย์ให้กับเรา เช่นเขาบอกว่าตอนนี้คุณกำลังเผลอคุณกำลังลืมพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เพราะพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณานสติอย่างต่อเนื่องอให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกเพราะจะทำให้เราไม่ประมาะนอนใจจะทำให้เรารีบเร่งขนขวายตักตวงบุญกุศล ที่เราจะสามารถเอาไปกับเราได้เพราะเราไม่รู้ความจริงว่าเราจะตายเมื่อไหร่กันไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของเราแต่ละคนนี้จะมียุยืนยาวนานไปถึงเท่าไหร่เราได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมีคนตายอยู่เรื่อยๆสนะิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นเหมือนกับสัญญาณบอก เตือนภัยเหมือนกับสัญญาณที่เขาเวลามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนี่เขาจะมีเสียงยะสัญญาณบอกให้คนรีบเข้าหลบเข้าหาที่หลุมเข้าไปในหลุมหลบภัยกันอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนี่มันเป็นเหมือนกับเขากำลัง สันส่งสัญญามาบอกเราให้เรารีบหาที่หลบภัยกันที่หลบภัยของพวกเราก็คือบุญกุศลนี่เองให้รีบทำบุญกันให้รีบรักษาศีลกันให้รีบภาวนากันทำใจให้สงบออกจากความสงบก็ให้หมั่นพิจารณาความเสื่อมคืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้พิจารณาอนัตตา ความที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเป็นของใครไม่มีใครสามารถที่จะไปสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอรู้ก็จะไม่อยากพอหยุดความอยากได้ก็จะดับความทุกข์ได้ก็จะอยู่ได้อย่างสงบ อยู่อย่างได้สบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆจะไม่วุ่นวายไปกับการเสื่อมการดับของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนเกิดขึ้นกับทุกๆสิ่งไม่มีข้อยกเว้น เพียงแต่ว่าเราไม่คิดถึงเหมือนเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าไม่เกิดแต่จะต้องเกิดกขึ้นกับทุกๆคนทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่ด้วยกันทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนจะต้องตายด้วยกันทุกคนจะต้องพัดพลาดจากกันด้วยทุกคนจะต้องเจอสิ่งที่ไม่อยากจะเจอด้วยกันทุกคน ฉันไม่อยากจะเจอคำคารหานินทาตำหนิติเดียนหรือคำพูดที่ดูถูกดูแคลนเหยียดหยามน้ําใจแต่มันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ที่ทุกคนจะต้องพบกันและทุกคนสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ามีบุญมีกุศล คือมีสติมีสมาธิมีปัญญามาคอยรักษาคุ้มครองจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความรักความชังความกลัวความหลงนี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการทำใจให้อยู่ในความสงบตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะสงบได้ตลอดเวลาก็ต้องมีสติในเบื้องต้นเพื่อทำให้ใจสงบเป็นสมาธิในขั้นที่สองแล้วพอมีสมาธิความสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสงบ ให้มีอยู่ต่อไปตลอดเวลาถ้ามีปัญญาเห็นใยรักอยู่ตลอดเวลาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, าตลอดเวลาเห็นอนุสุภะตลอดเวลาเห็นอนัตตาตลอดเวลาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนบินน้ำลมไฟไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้เช่นเราไม่สามารถสั่งให้ดวงอาทิตย์ไม่ตกได้ ดวงอาทิตย์เขาขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตกไปสั่งให้ไม่ให้ฝนตกก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราไปสั่งให้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ไม่ให้เสื่อมไม่ได้ไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้ถึงเวลาเขาต้องเสื่อมถึงเวลาเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราไปยึดติดอยากจะให้เขาไม่เสื่อมอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเดิม เช่นเขารักเราก็อยากจะให้เขารักเราเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เวลาเขาไม่รักเราหรือรักน้อยลงไปเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรู้แล้วว่าความรักของเขานี้เป็นความรักที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ ย่ามมีการหมดไปได้คนที่ใครรักกันในที่สุดก็อาจจะฆ่ากันตายได้อย่างมีเหตุการณ์ล่าสุดก็สามีภรรยาฆ่ากันตายข่าภรรยาแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวเองตายไปเพราะความรักมันเสื่อมไปหายไปหมดอยู่กันด้วยความโกรธด้วยความเกลียด มันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่ออยากจะให้มันกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้ก็ยิ่งก็ไม่รู้จะทาอย่างไรก็เลยคิดว่าควรจะยุติด้วยการฆ่ากันตายไปนี่เพราะว่าไม่ได้เจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องนั่นเองถ้าพิจารณาอย่างสรับเสมอว่าความรักของ คนสองคนนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเจริญมีเสื่อมและจากเสื่อมก็อาจจะเจริญขึ้นไปใหม่ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนบางทีอยากรันไปสักพักแล้วก็กลับมารักกันใหม่ก็มีคือต้องรู้แล้วอย่าไปอย่าไปเสียอกเสียใจถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วจะไม่ทุกข์เพราะจะไม่มีความอยาก ไม่ให้เป็นอย่างนั้นเรรู้ว่าห้ามไม่ได้เหมือนกับเรารู้ว่าเดี๋ยวฝนก็ต้องตกเดี๋ยวก็ต้องหนาวเดี๋ยวน้ําก็ท่วมเวลาเกิดขึ้นมาเราก็ไม่โวยวายไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเกิดเหตุการณ์ก็เราก็อยู่กับมันไป ไม่เห็นจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดนี่แหละคือวิธีที่เราจะทำให้ใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้อยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามเหตุการณ์ที่เราชอบมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบมันก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้าใจเรามีสมาธิมีปัญญามีสติใจเราจะตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาจะวางเฉยได้จะสักแต่ว่ารู้ได้เขาด่าเราก็รู้ว่าเขาด่าเรามันก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นปากของเขาเราไปห้ามปากเขาได้ที่ไหนเขาจะทำอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราเฉย เรารับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แต่ที่เราจะสักแต่ว่ารู้ได้นี้ก็ต้องเกิดจากการมีสมาธิการจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติเราะฉะ้นเราต้องพยายามสร้างสติกันขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องดึงใจเอาไว้อย่าให้ลอยไปตามกระแสของความคิด ใจจะคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้ก็ดึงมันกลับมาหาพุทโธพุทโธหาลมหายใจหาร่างกายเอาอย่างใดอย่างหนึ่งผูกใจไว้อยากให้มันลอยไปกับกระแสของความคิดเหมือนกับเรือถ้าเราอยากจะให้เรือจอดอยู่เฉยๆไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำเราก็ต้องผูกเรือไว้กับท่า ถ้าเราผูกเรือไว้กับท่าแล้วเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้าฉันใดใจของเราถ้าอยากจะให้ตั้งมั่นเป็นอุนเบกขาสักแต่ว่ารู้ก็ต้องมีอะไรผูกไว้ก็ต้องมีสติผูกใจไว้กับพุทโธผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าเฝ้าดูการกระทำของร่างกายแล้วยังหยุดความคิดไม่ได้ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ใช้พุโทโธควบคู่ไปกับการเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเช่นเรากำลังทำกับข้าวเรายัางไปคิดถึงเงินกู้เงินผ่อนคิดถึงของที่อยากจะซื้อของอะไรต่างๆแล้คิดไปถึงเรื่องของคนนั้นคนนี้ เราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธบริกรรมไปควบคู่กับการทำกับข้าวของเราไปมันก็จะหยุดความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ใจก็จะตั้งมั่นอยู่ในความว่างได้อยู่ในอุเบขาได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากพวกเรานั่งสมาธิกันแล้วบ่นว่าไม่เคยสงบเก็เพราะว่าเราข้ามขั้นตอน บอลเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วก็นั่งเลยโดยที่เราไม่มีสติเลยนั่งไปแล้วใจก็ฟุง้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่งไปได้ไม่นานก็ทนนั่งไม่ได้เพราะความอยากมันอยากจะลุกไปทําอะไรอย่างอื่นหรือร่างกายเริ่มมีการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนไม่ได้ก็เลยใช้เป็นเหตุให้เลิกนั่งสมาธิไป แต่เวลานั่งดูอะไรที่เราชอบนี่ทำไมนั่งดูได้เป็นชั่วโมงก็เพราะว่ากิเลสมันไม่มีความอยากจะไปทำอย่างอื่นมันก็นั่งดูได้เช่นเวลาดูภาพยนตร์นี่นั่งดูกันได้ทั้งสองสามชั่วโมงแต่พอให้นั่งดูลมหายใจนี่นั่งดูได้เพียงห้านาทีก็อยากจะลุกแล้วไม่อยากจะนั่งต่อไปถ้าไม่มีสติคอยควบคุมบังคับไว้มันก็จะนั่งไม่ได้ การปฏิบัติก็จะไม่มีวันคืบหน้าไม่มีวันที่จะเจริญได้ไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นเราต้องพยายามเพียรกันเพียรพยายามสร้างสติกันอย่าไปว่ามันยากความจริงมันไม่ยากถ้าเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทำไมเราคิดถึงพุโทโธไม่ได้มันก็เป็นความคิดเหมือนกันเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทั้งวัน พอให้เรามาคิดถึงพุโทโธหรือคิดดูการกระทาของร่างกายเรากลับทาไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำมานั่นเองมันไม่ถนัดก็เลยไม่อยากทําเหมือนกับเราถนัดมือขวาถ้าเราต้องไปใช้มือซ้ายนี่เราจะไม่อยากจะใช้เราชอบใช้มือขวาเพราะเราถนัดทำอะไรมันคล่องแค้วว่องไวแต่ถ้าเราต้อง ต้องต้องใช้มือซ้ายเผื่อมือขวาเจ็บใช้ไม่ได้เราก็ต้องบังคับให้ใช้มือซ้ายแทนแล้วถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆบ่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความถนัดขึ้นมาเองดนั้นในเบื้องต้นนการเจริญสตินี้มันจะล้มเหลวอยู่เรื่อยๆตั้งได้เพียงแป๊บเดียวมันก็จะกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกับการหัดใช้มือซ้ายใช้ได้ครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็จะกลับไปใช้มือขวาใหม่ เพราะมันถนัดมันคล่องแค่วรวดเร็วแต่เราต้องบอกเราว่าการเจริญสตินี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูของมรรคผลนิพพานให้กับเราที่จะเปิดประตูของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีสติแล้ว เราจะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทอ้อแท้ไม่ไม่อินฉาเราอาเจียจะพยายามเพียรเจริญสติไปเรื่อยๆถ้าพยายามเพียรไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะเกิดขึ้นมาสติก็จะต่อเนื่องพอต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ พอจิตสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะใช้ปัญญาพิจารณาส่วนที่เราไม่ชอบพิจารณาได้เช่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นชัดเราก็จะไม่หลงจะไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ไม่อยากมีแฟนเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่อย่างสงบได้ไม่เดือดร้อนเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องทุกข์กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ตราบใดถ้าเรายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่ให้เป็นที่พึ่งของเราตราบนั้นเราก็ยังจะต้องทุกข์กับเขา เพราะทุกเพราะว่ากลัวเขาจะเสื่อมกลัวเขาจะจากเราไปหรือทุกเพราะว่าต้องคอยดูแลรักษาเขาอันนี้จะไม่ต้องมีถ้าเราไม่ต้องพึ่งใครถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่โดยปราศจากสิ่งต่างๆได้แม้แต่ร่างกายเราก็สามารถที่จะปล่อย วามได้ยอมให้จากเราไปได้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเรามีความสุขได้โดยต้องไม่โดยไม่ต้องมีร่างกายเราทำใจให้สงบได้เราก็มีความสุขได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังอะไรต่างๆได้อยู่คนเดียวเฉยๆได้มีความสุขสบาย อันนี้แหละเป็นเรื่องของความเพียรที่จะตามมาหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังทำวิธีการที่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรก็ขอให้เราพยายามทํากันไปใจเย็นๆอย่ารีบร้อนคืออย่าไปรีบร้อนที่ผลอย่าไปอยากให้เกิดผลทันตาเห็น ให้มีความาขยนันมีความอดทนทำไปเรื่อยๆตามหน้าที่ถึงเวลาก็ทำไปทาไปเล่าต่อไปมันก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเองเหมือนกับปลูกต้นไม้วันแรกที่เราปลูกต้นไม้ก็เป็นต้นเล็กๆแค่สูงแค่นิ้วเดียวเราจะให้มันพูดพากลายเป็นต้นไม้ขนาดที่เราอบอ้อมมันย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเราปลูกไปลดน้ำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเจริญงอกงามอย่างต้นโพที่อยู่ที่ลานจอดรถนี้ก็ปลูกเมื่อปี2526เยนนี้ก็เป็นต้นย้าต้นไม้ใหญ่โตมาโหหลานฉันใดธรรมะของพวกเราเช่นสติสมาธิปัญญาตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราต้องหมั่นขยันเติมน้ำ พรวนดินลดน้าพรวนดินคอยกำจัดวัชพืชต่างๆคอยดูแลรักษาป้อคับประคองมันไปไม่ให้มันตายแล้วต่อไปรากมันยังเล็กลงไปเรื่อยๆมันก็จะมีกำลังที่จะเลี้ยกดูตัวของมันเองได้แล้วมันก็จะเจริญเติบโตของมันเองได้ทำของเรานี้ตอนต้นเราต้องใช้ความพยายามมาก พอมันเลิกเจริญก้าวหน้าแล้วทีนี้มันจะไปของมันเองได้ไม่ต้องไปบังคับมันมันจะไปของมันเองอย่างที่หลวงตาท่านเคยเทศปัญญาสติปัญญาอัตโนมันเนี่ยตอนต้นก็เป็นสติปัญญาแบบล้มลุกคุกคานเราต้องคอยผลต้องคอยดันมันให้มันพิจารณาให้มันเจริญสติ แต่ต่อไปพอมันเติบใหญ่ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปมันจะเจริญสติอย่างต่อเนื่องมันจะพิจาจริาปัญญาตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่มันจะเผลอไปคิดถึงเรื่องเรื่องโลกเรื่องสงสารจะคิดอยู่แต่ในวงของตาตรลักในวงของอริยสัจสอยู่ตลอดเวลา เนี่ยคือการปฏิบัติที่พวกเราจะต้องพยายามกันอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้ก็ให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านเป็นพระอริยสงสาวกได้ก็เพราะท่านไม่ยอมแพ้นั่นเองจะยากจะลำบากอย่างไรท่านก็อดทนไปบางวันก็ได้มาก ผลบางวันก็ได้น้อยก็ไม่ท้อทแท้ทําไปขอให้ได้ทํากันแล้วกันถ้าไม่ทําแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าทํานี้ถึงแม้จะไม่ได้ผลก็อย่างน้อยก็ได้ความเพียรได้เหตุอถ้าได้เหตุถ้ามีเหตุห ต, ต่อไปผลมันก็จะต้องเกิดถ้าไม่ทําเลยนี่ไม่มีเหตุเลยเมื่อไม่มีเหตุเลยแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถึงแม่อยากจะบรรลุขนาดไหนมันก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้ถึงแม่อยากจะนั่งสมาธิให้มันสงบมันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าไม่มีความเพียรต้องพยายามเพียรเจริญสติไปเรื่อยๆถือให้ให้ถือเป็นงานหลักของเราลองจากการหายใจเข้าออกเลยถ้าเราไม่ขยันหายใจเราจะอยู่กันได้ไหมทุกวันนี้ที่เราอยู่กันได้เพราะว่าเราขยันหายใจ หายใจจะกระทั่งมันกลายเป็นหายใจแบบอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับมันชั้นใดสติของเราต่อไปมันก็จะเป็นแบบลมหายใจมันจะเจรินของมันมันจะรู้อยู่ตลอดเวลาไม่พังไม่เผลอถ้าเราเจริญมันอยู่เรื่อยๆฝึกมันอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่กับพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะ เป็นอัตโนมัติไปมันจะไม่ไปที่อื่นมันจะไม่ไปถ้าไปก็ไปเดียวๆไปก็ไปด้วยสติไปเพื่อที่จะกลับมาไม่ใช่ไปแบบไปแล้วก็หายไปเลยนี่แหละคือเรื่องของความเพียรที่พวกเราได้มากระทากันในวันนี้คือเราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลที่ถูกต้องถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาเช่นเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็นั่งเลยแต่ก่อนจะนั่งไม่เคยคิดถึงเรื่องของการเจริญสติเลยนั่งแล้วก็ไม่สงบ ก็ไปโทษว่าไม่ถูกเจริตบ้างไปโทษอย่างอื่นบ้างอันนี้เพราะไม่ได้ศึกษาขั้นตอนที่ถูกต้องของการปฏิบัติว่าจะต้องมีอะไรนั่นเองพอปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้ผลแต่ถ้าได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน ดังนั้นก็ขอให้พวกเราพยายามทํากันไปอย่าท้อถอยขอให้เราระลึกถึงคําพูดที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพีย่ยนขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ยกธงขาวไม่ยอมแพ้เราก็จะสู้ไปเรื่อยๆถ้าวันไหนเหนื่อยมากสู้ไม่ไหวก็พักทักเดี๋ยวก็ได้ พอมีกำลังแล้วก็กลับมาสู้กันใหม่แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับผลที่เราอยากจะได้กันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังป um ัติตังตุมหังคิดป้าเมวะสันิจจตุส so ัพเพปุเรนตุสังกาปาจันททปนาราโสยาถามณิโชติ ภราสุยธ า, าสภีติโยวิวาชานตุสัปปโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารุธมาวะทานติอายุวนันโอสุขงัง ลต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ได้ถามปัญหาที่ข้อข้องใจต่างๆถ้าใครมีก็ขอเชิญขึ้นมาถามที่ข้างบนที่นี่มีไมโครโฟน เพื่อผู้ที่ฟังจะได้ยินเสียงคำถามเพราะถ้าไม่พูดผ่านทางเสียงไมโครโฟนก็จะไม่ได้ยินเสียงคำถามถ้าไม่มีก็จะให้คุณต่อถามคำถามให้ก่ท่านที่อยู่ที่ทางบ้านผ่านถามผ่านทางเฟ c บ b o ก k นาะ ครับคำถามแรกจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณจีรวัตรนะครับ mm hmm. เรื่องของการกราบไหว้บูชาวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขังของพระเจจิอาจารย์ดังที่มีคนเชื่อว่ามีบูชาไว้แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยยิงฟันแทงไม่เข้าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเพียงความเชื่อครับพระอาจารย์เพราะบางคนจะพยายามหา มาบูชาไว้ไม่ว่าจะมีราคาแพงมากแค่ไหนก็ตามแล้วมีใครไม่ตายบ้างหร่าก็ตายด้วยกันทุกคนแหละเครื่องเครื่องเครื่องบูชานี้ท่านให้มีไว้เพื่อจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติ <Youtuber. S 2> คือให้เราเลิกถึงพระคุณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระธรรมำคําสอนของพระอริยสงสาวกเพื่อที่เราจะได้ น้อเอาเข้ามาปฏิบัติแล้วเราจะได้ของที่วิเศษที่เลิศ ก, กว่ า, ามงคลวัตถุทั้งหลายวัตถุมงคลทั้งหลายเพราะสิ่งที่เราได้ก็คือการที่จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอันนี้แหละคือสิ่งที่วิเศษ วัตถุมงคลถ้าบีไว้ก็มีไว้เพื่อให้เราแค้วพลาดจากการที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยการไม่กลับมาเกิดการจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะดับความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกายถ้ายังมีความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยู่ ก็ยังต้องมีร่างกายพอ ร, ร่างกายเก่ามันตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมากลัวความแก่ความเจ็บความตายใหม่ก็ต้องหาวัตถุมงคลกันวุ่นไปหมดหามาได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เหมือนเดิมอีกแต่ถ้าน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสง์ เอามาสู่ใจเอาพระพุทธเจ้าเป็นเยี่ยงอย่างเอาพระสงฆ์เป็นเยี่ยงอย่างว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างนั้นท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นพอเราน้อมเข้ามาแล้วปฏิบัติได้แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากตัณหาทั้งหลายไม่มีตัณหาอยู่ในใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือเจตนารมณ์ของการสร้างวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ทั้งหลายสร้างเพื่อให้เรามีเครื่องยึดเหนี่ยวติดใจให้เราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้แหละที่เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้แค้วค่าปลอดภัยคือ จะได้ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายซ้ำซากอยู่เรื่อยๆนั่นเองพระอาจารย์ครับมีบางท่านได้บอกว่าไม่ควรนำพระพุทธเจ้ามากล่าวอ้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นด้านใดถูกต้องไหมครับพระอาจารย์เพราะจะเป็นกรรมเขาเป็นใครที่เขาพูดอย่างนี้ อยากจะรู้แล้วกันเขาเอาสิทธิ์ที่เอาปัญญาที่ไหนมามาพูดอย่างนี้ถ้าไม่เอาบรมาศาสดามาอ้างเราจะเอาใครมา้างธรรมะทั้งหมดนี้มันมาจากใครถ้าไม่มาจากบรมมสาสดามาจากพระพุทธเจ้าสัทธาเทวมนุษย์สานังครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเราไม่อ้างท่านเราจะอ้างใครอ้างตัวเองเลยอ้างตัวเองก็โดนก็เหยียบอีก พระพุทธเจ้าก็ปลอดภัยแล้วอ่ า, อามีข้อนึงตกค้างอยู่ในข้อความนะครับแต่ไม่ทราบว่าได้ถามหรื อ, อยังนะครับจะลองถามวิธีนะครับการนั่งสมาธิโดยโดยบริกรรมพุทโธจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปหรือเปล่าได้ได้ทั้งนั้นจะนึกถึงพระพุทธรูปก็ได้อันนี้ก็เป็นการเพ่งเพ่งจิตเราให้ยึดเกาะติดอยู่กับพระพุทธรูป หรือเราจะใช้ชื่อก็ได้ให้เกาะติดอยู่กับคำบากรรมชื่อคือพุโทโธพุโทโธก็ได้ได้ทั้งสองอย่างอย่างไหนก็ได้ที่ทำแล้วให้ใจมันเกาะติดอยู่ไม่ลอยไปเหมือนกับเรือเนี่ยเราจะทอดสมอก็ได้เราจะผูกมันไว้กับท่าน้ำก็ได้เป้าหมายของการทอดสมอหรือการผูกเรือนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรือมันไหลไปตามกระแสน้ำ อันการที่เราใช้การเพ่งพระพุทธรูปก็ดีการบริการพุโทโธก็ดีก็มีเป้าหมายไว้ไม่ให้ใจเราไหลไปตามกระแสของความคิดนั่นเองเพราะถ้าไหลไปแล้วมันก็จะไปเจอกิเลสตัณหาขึ้นมาพอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดความวิตกกังวลห่วงใ ย, ยเขาขึ้นมาละอันนี้ก็เป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาละถ้าไม่คิดถึงเขาก็ก็จะไม่มีวิ ไม่มีกิเลสตัณหาตอนนี้เช่นตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยคนที่เรารักอาจจะตายไปตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปคิดถึงเขาเราก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราไปคิดถึงเขาแล้วไปปรุงแต่งขึ้นมาเองไว้ตอนนี้เขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าทั้งทั้งที่เขาอาจจะไม่เป็นเสียด้วยซ้ำไปพอคิดแล้วก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่แหละคือผลเสียของความคิด ว่าความคิดของพวกเรานี่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนตมันคิดไปทางกิเลสตัณหาคิดไปทางอวิชชาความหลงความแต่ถ้าเราคิดไปในทางธรรมะคิดไปเท่าไหร่ก็คิดได้ไม่เป็นปัญหาเช่นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่ยคิดไปเถิดคิดแล้วใจจะเย็นใจสงบใจจะมีความสุขนี่เราถึงต้องมาเปลี่ยนความคิดของเราแทนที่จะคิดไปในทางของกิเลสตัณหา ความรักความชางังความกลัวความหลงก็ให้มาคิดตามความเป็นจริงสัจธรรมความจริงทุกสมุทัยนี่โรดมักนี่คือทุกขังอ น, นิจจังก็ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับอนัตตาก็คือไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ต้งคิดทางธรรมแล้วใจจะเย็นจะสบายเพราะใจจะปลงได้จะปล่อยวางได้ แต่ก่อนที่จะดึงมาคิดทางธรรมะได้ก็ต้องหยุดความคิดที่จะไปทางกิเลสตันหาก่อนเหมือนกับเวลาเราขับรถแล้วเราไปผิดทางเราจะไปเหนือแต่เราดันขับเข้าไปทางที่พาเราไปทิศใต้อย่างนี้เราก็ต้องจอดรถยูเทิร์นก่อนหาที่กลับรถเราก็ต้องหยุดก่อนหยุดรถแล้วก็หันรถกลับไปไปทางทิศเหนือแล้วเราค่อย แล้วเราค่อยขับไปทางทิศเหนือดังนั้นตอนต้นเราต้องหยุดความคิดที่จะไปทางกิเลสตัญหาก่อนคิดในทางนิดจังสุขขังอัตตาเนี่ยเราจะคิดกันอย่างนี้ซึ่งมันไม่ตรงกับความจริงเรามักจะคิดว่าทุกอย่างจะอยู่ไปนานๆจะอยู่กับเราไปนานๆจะดีไปนานๆจะให้ความสุขกับเราไปนานๆเป็นของเราไปนานๆอันนี้เป็นความคิดผิดเราต้องมาเปลี่ยนความคิดใหม่ก่อนจะเปลี่ยนความคิดได้เราต้องหยุดมันก่อน ให้ใจว่างก่อนพอใจว่างสงบแล้วทีนี้พอออกจากความสงบมาแล้วก็สั่งให้มันคิดไปในทางอนิจจังไม่ใช่นิจจังเอไม่แน่นอนไม่ถาวรทุกขังมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอนัตตามันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ให้กลับมาคิดอย่างนี้แต่ตอนนี้คิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิ ก็ยังไม่หยุดรถจะไปยูเทินได้ไมรถมันยังวิ่งไปทางทิศใต้ยอยู่อย่างเงี้ยถ้าถ้าจะพลิกกลับทันทีมันก็คว่ำเท่านั้นแหละนองกลับรถโดยโดยที่ไม่จอดมันดูไม่หยุดมันดูอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยรถมันก็คว่ำเท่านั้นแหละอย่างในการที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราจากอาวิชามาให้เป็นปัญญานี้มันต้องหยุดก่อนต้องทําจิตให้สงบให้นิ่งก่อน พอจิตสงบนิ่งแล้วทีนี้เราก็ดึงจิตที่สงบนิ่งให้ไปทางปัญญาได้ออกมาจากสมาธิก็ให้มันเจริญพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะไม่สวยไม่งามเราชอบมองเห็นว่ามันสวยมันงามเราต้องพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆอีกต่อไป คำถามข้อต่อไปจากคุณวิดานะครับนั่งสมาธิมาหลายปีแต่วันละครึ่งชั่วโมงถึงเกือบเกือบชั่วโมงโดยการฟังธรรมะครูอาจารย์มาตลอดก็จะรู้สึกสงบดีค่ะแต่ไม่สามารถนั่งโดยกำหนดพุธทโทได้เลยเพราะจากฟุ้งซ่านจิตไม่สงบจึงนั่งโดยฟังธรรมะประกอบมาตลอดอยากสอบถามว่าจะใช้แต่วิธีการนี้โดยไม่กำหนดพุทโท การปฏิบัติเช่นนี้จะก้าวหน้าขึ้นได้ไหมเมื่อสองสามปีก่อนมีความเพียรมากกว่าตอนนี้เวลาไม่นั่งสมาธิก็จะพยายามระลึกว่าตัวเราประกอบด้วยกระดูกกำหนดศีรษะร่างกายมือเท้าเป็นภาพกระดูกเจ้าค่ะทำถูกไหมเป็นสัญญาหรือไม่ก็ถูกถ้าเราพิจารณารมนี้ก็ถือว่าเรากำลังเจริญอ่ ธรรมานุสติซึ่งเป็นการเจริญสมติเพื่อสมาธิความสงบและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยถ้าเราพิจารณาความจริงเช่นอสุภะอย่างนี้พิจารณาอนิจจ์ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติสมาธิและปัญญาควบคู่กันไปก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้เพียงแต่ว่าต้องทาให้มันมากแต่นั้นเอง ถ้าวันลาครึ่งชั่วโมงนี่มันก็ยังน้อยไปถ้าฝนตกก็เหมือนฝนตกสองสามหยดไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาได้ต้องให้มันตกแบบสี่ห้าชั่วโมงนี่นะปฏิบัติก็ต้องเอาให้มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยเช่นวันหยุดเล่เาเวลาไปทํำลายกันหมดทําไมไม่เอาเวลามาปฏิบัติทํากันดูบ้าง มันหยุดที่เราไม่ต้องไปทำงานเนี่ยเราสามารถปฏิบัติทำได้ทั้งวันเลยทำไมเราไม่ปฏิบัติกันนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ทำกันเองคือเราไม่สร้างเหตุแต่เราสร้างความอยากได้ผลกันแล้วก็ไม่ได้ผลเสียทีเพราะเหตุมันไม่มันมีไม่มากนั่นเองังนั้นต้องพยายามสร้างเหตุเพียรให้มากมาเจริญสติให้มากมา ถ้าใช้การฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ใจสงบก็ฟังไปได้พอใจเย็นสบายแล้วก็ปิดเสียปิดเทศหรือว่าเวลาฟังเทศเสร็จแล้วแทนที่จะลุกแทนที่จะเลิกก็ให้นั่งสมาธิต่อไปให้ดูลมหายใจต่อไปเพราะว่าการความสงบจากการฟังเทศนี้มันยังไม่ลึกพอมันช่วยทําให้ใจหายฟุง้งซ่านไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่มันยังไม่ดิ่งเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นเอกขะกะตารมเป็นอุเบกขาจะให้มันเข้าไปต่อนี่เราต้องดูลมหายใจต่อหรือบริกรรมพุทโธไปแล้วแต่ที่เราจะถูกจริตกับเราชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นฟังเทศไปเป็นการกล่อมใจในเบื้องต้นก่อนเพราะถ้าไม่กล่อมเลยนี่มันจะคิดมากพอคิดมากจะให้ดูลมก็ดูไม่ได้จะให้พุทโธก็พุทโธไม่ได้ ก็เลยต้องใช้การฟังเทศเป็นตัวเบรกความคิดปรุงแต่งให้มันอ่อนกำลังลงไปแต่มันยังไม่นิ่งยังไม่หยุดเราพอเราฟังเทศเสร็จเราก็ดูลมต่อไปอย่าเพิ่งเลิอกอย่าเพิ่งลุกดูลมต่อไปนั่งบริกรรมพุทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอมันสงบแล้วทีนี้มันจะก้าวหน้าแล้วเพราะเหตุใด พรมันจะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาเกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดความอยากที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าเห็นผลขอการปฏิบัติว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าเหนื่อยเมื่อก่อนยังไม่เห็นผลนี่มันไม่มไม่มไม่มีกําลังจิตกําลังใจนั่งไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรก็เลยไม่ได้ปฏิบัติมากแต่พอได้ผลคือจิตรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่ อ, อไหร่แล้วทีนี้มันจะ เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเกิดฉันทะความอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเองทีนี้ไม่ต้องมีใครมาลากมาจูงมาบังคับแล้วมันจะมันจะปฏิบัติขอ ง, องมันเองเวลาใดที่มีเวลาว่างมันจะนั่งทันทีเวลาที่ไม่ได้นั่งมันก็จะเจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะไม่เห็นคุณของการเจริญสติ เห็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิที่มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะให้ผลเกิดขึ้นได้อย่างนีอย่างแน่นอนคือจากคำถามพู้ถามนะครับไม่สามารถนั่งบริกรรมพุโทโธได้เลยเพราะจิตจะฟุ้งซ่านต้องฟังจากการฟังธรรมเท่านั้นเขาคงจึงอยากได้อุบายในการทำให้จิตไปเกาะกับพุโทโธได้เพราะถ้า ฟังอย่างเดียวก็อาจจะไปไม่ถึงไหนครับอาจารย์ก็เพิ่งอธิบายไปหยกๆก็ฟังทำไปพอฟังไปแล้วใจก็จะเย็นจะสบายแล้วก็จะพุทธโธได้แต่เขาไม่พุทโธต่อพอฟังทำเสร็จเขาก็เลิกเขาก็ลุกไปทาอย่างอื่นมันก็ไปไม่ถึงดวงดาวคือเรามาครึ่งทางแล้วเราใช้การฟังธรรมนี่มากล่อมใจให้หยุดความคิดฟุ้งซ่านได้แล้ว พอมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราพุโทโธได้แล้วแต่เราไม่ยอมพุโทโธเราเลิกเรากลับมาใช้ความคิดไปกับงานการเรือกับเรื่องราวต่างๆมันก็ไปได้แค่นี้เองนะถึงบอกว่าตอนต้นฟังทำได้ให้กล่อมใจพอฟังเสร็จแล้วใจเย็นสบายอย่าเพิ่งเลิกให้ทําต่อให้ดูลมหายใจต่อหรือให้บริกรรมพุโทโธต่อสังเกตดูว่าอยจะทําได้ไหม รับรองหน้าทำได้เพราะใจมันไม่ไปตามกระแสของความคิดแล้วเพียงแต่ว่ามันยังเข้าไปไม่ลึกยังไม่สงบอย่างเต็มที่เราต้องใช้พุทธโธดึงมันเข้าไปหรือดันมันเข้าไปมันถึงจะรวมเป็นหนึ่งได้ครับกราบวิชกบุญหลวงพ่อครับคืออย่างนี้นครับผมติดตรงที่ว่าการปฏิบัติไปถึงแล้วจิตเป็นสงบแล้วไปถึงจริงล้วก็พอนั่งไป นั่งไปจนว่าไม่รู้ใครหลับนะครับแล้วตื่นมาอีกก็ทำอย่างนี้ยติดตรงเนี้ยไปแล้วก็จะหลับไปมันจิตไปสงบพิจารณาตลอดเวลาอย่างเงี้ยช่วงนี้จะแก้ไขยังไงประเด็นคุณครับคือถ้ามันหลับก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมท่านมันหือนเหมือนจะไม่หลับเหมือนจะหลับอะไรอย่างเงี้ยจิตอย่างนั้นเป็นไงฮะก็เคลิ้มๆแหละมันแสดงว่าสติเรามันไม่สมบูรณ์ถ้าสติสมบูรณ์มันจะไม่เคลิมมันจะเหมือนกับเรานั่งคุยกันตอนเนี้ย แต่มันจะรู้ว่าตอนนี้จิตไม่ปรุงไม่แต่ครับสถูกครับคือว่าจริงๆแล้วเรื่องริงก็ให้มีสติพิจารณาตลอดเวลา<ช>ปฏิบัติไปนั่งไปนั่งไปจนไม่รู้ว่าไปถึงทีงงงงไหนเลเป็นถ้ามนามนั่งหลับแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาเดินใหม่มาเดินจงกลมมาเจริญสติใหม่ครับเดินมานานเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงไปเลยจนกระทั่งมันเมื่อยอยากจะนั่งแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ตอนี้จริตผมมันชอบนั่งนะครับ ไม่ได้แล้วเจรนี้มันเจริญกิเลสไม่ใช่เจริญธรับไม่ใช่อยากเลยเขามองว่าพิจารณาเป็นอยากหรือเปล่าไปจะพิจารณาตัวเองนะครับแต่ก็พิจารณาว่ามันอยากหรือเปล่าพอนั่งแล้วมันก็มีความสุขดีแล้วก็มันมีติหอยังไงอย่างนี้นะครับแต่พอไปจริงแล้วมันไปติดตรงที่ว่านั่งไปสักพักใหญ่หรือจะเป็นนานทอสมคนมันจะไปเองมันเองว่าไปจุดไหนไปถึงตรงไหนลืมภาวนาไปเลยนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละถึงต้องเดินมันกลับมาไง มันกำลังไปทิศทางของกิเลสแล้วต้องเดิมมันกลับมาให้ไปทิศทางของธรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นโลภะอยากไหมครับมันไม่ใช่หลวงพ่า ม, มันก็เป็นโลภโกรธลงนี่แหละมันอยู่ในนั้นแหละลักษณะอยนี้นะครับครับได้ขึ้นสงสัยทำไมมันเป็นอย่างนี้อมองตัวเองเตล อ, อดเวลาทำไมวันนั่งไปแล้วก็ไปย่งนั้นต้องลุกขึ้นมาต้องบังคับตัวเองให้เดินจะเริ่มจดจ่อกล่ากับก่อนครับ คือถ้าไม่ฝืนมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะติดนิสัยไปนั่งทีไรก็อยากจะนั่งเคลิ้มๆหลับๆคขึ้งหลับขึ้นตื่นนี้ไปแล้วก็ไปไม่ถึงไหนจะไปทางปัญญาก็ไปไม่ได้พิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่ไม่ได้เพราะไม่มีกําลังอ๋อเป็นอย่างไงครับผมมองว่าจริงๆแล้วปฏิบัติตรงนี้เราปฏิบตับติแบบกิริยากทแม้กระทั่งมีสติตลอดเวลานะครับเรามีเวลาทําเราจะทํำตลอดเวลาจะไม่ว่างตรงนั้นเพราะจิตชอบ พอทําจริงแล้วเรามานั่งปฏิบัติปฏิบฏัติเพิ่พิจารณาเหมือนอย่างที่ว่าออร่างกายเราเป็นออรูกใบสนายัญญาสังขารเป็นธาตุนงสียอะไรอย่างนี้นะครับพิจารณาไปพอพิจารณาไปพถึงจุดหนึ่งแล้วตัวกับผมเองนั้นมันจะเคลิมไปเองคือไม่รู้เลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่อย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้นะครับมันติดตรงไปอย่างเงี้ยมันไปลักษณะว่า<ช>ไม่รู้ว่าเราจะว่ามันนั่งหลับยังไงยังไปยังไงไม่รู้แต่ช่วงที่เราทํานั้น เราก็จะมีสติดีนะครับถ้าปฏิบัติจะให้ผลจริงๆมันต้องถือศีลแปดมันต้องอดอาหารหรือผ่อนอาหารโอ๋แต่นี้ผมถือศีลห้านะครับถ้าถ้ากินตามปกตินี่มันจะง่วงง่ายมันจะหลับง่ายบคราะฉะนั้นต้องลองถือศีลแปดเดียวเราจะเห็นความแตกต่างถ้าถือศีลแปดยังง่วงอยู่ก็ต้องถือมือม้อเดียวกินมื้อเดียว ถ้ามือเดียวยังง่วงก็กินครึ่งมื้อก็ได้ครับถ้าครึ่งมื้อยังง่วงก็อดมันไปเลย <c oughs> อลองดูครับสาธุครับสาธุครับพระอาจารย์ครับตอนที่ช่วงที่ไปเชียงตอนไปเชียงใหม่ที่ผ่านมาครับมันมีข้อธรรมข้อนึงไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าข้อธรรมหรือเลยนะครับคือว่าตัวตัวเราเองเนี่ยไม่ ยังจะคงเป็นเศษผ้าเศษผ้าคีริ้วอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่อ่าบางทีดูเหมือนจะมีหน้ามีตาในสังคมดูเหมือนเป็นคนที่ทําบุญมากเป็นเหมือนอะไรอย่างเนี้ยครับแนวแบบทําบุญเทไหนเทกันแนวนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นผู้มีบุญมากแต่เราเนี่ยความรู้สึกเรายังเหมือนเดิมคือเป็นผ้าคีริว้วไม่ใค่คิดดีไปกว่านี้แต่ทําไม เราไม่ได้ว่าเขานะครับแต่ว่าปัญญาเราช่างห่างกับเขาเหลือเกินครับในด้านการพิจารณาสิ่งต่างๆที่เห็นจริงครับอาจารย์ก็คนเราแต่ละคนมีระดับสัมมาทิฏฐิไม่เท่ากันเนี่ยถ้าได้ศึกษาได้ฟังเทศอย่างคุณมาฟังเทศเนี่ยปีกว่าแล้วใช่ไหมมาฟังทุกสาวาเทศเนี่ยคุณได้ได้ยินได้ฟังอะไรที่คุณไม่เคยได้ยินที่คนอื่นก็ไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน คนก็จะเข้าใจว่าบุญที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนคนก็จะรู้ว่ามันสําคัญที่สุดก็อยู่ที่ปัญญาก็เลยไม่ไปติดหลงติดอยู่กับการทําบุญอย่างเดียวทําบุญแล้วก็หมั่นฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมามถึงแม้ว่ายังเป็นปัญญาที่ตัดกิเลสไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว พอที่จะมีอะไรมาคอยเตือนสติบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบออกบวชได้ทิ้งลูกทิ้งเมียได้ <laughs> คือการที่เราบอกว่าปัญญาเราเนี่ยช่างต่างกับเขาเหลือเกินแต่เพียงแค่ว่าเราต้องการยกตัวอย่างให้ให้เข้าใจครับแต่ว่าควารมรู้สึกเราไม่เคยคิดว่าเราดีเด่นไปกว่าเขาอะไรเงี้ยครับอาจารย์ไม่ได้ยอมเพียงแต่ว่ารู้มากรู้น้อยต่างกันเนี่ย เป็นเรื่องปกติคนเรียนมากก็ต้องรู้มากคนได้ยินได้ฟังมากก็ต้องรู้มากกว่าคนที่ได้ยินได้ฟังน้อยกว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาพูดเป็นเป็นความจริงไม่ได้เป็นการเรื่องมามายกตนข่มท่านแต่อย่างใดอย่างเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้านี่รู้มากกว่าพวกเราหลายล้านเท่าอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการยกท่านมามาม า, มาข่ม finns, เราเราพูดตามความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้น เวลาพร่เจ้าบอกท่านรู้อะไรท่านก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะยกตนข่มผู้อื่นท่านก็พูดไปตามความจริงของท่านว่าท่านรู้อย่างนี้แหละใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเวลาพูดนี้ก็จะต้องคอยพิจารณาหน่อยว่าพูดกับใครแล้วเขาฟังได้หรือไม่เขารับได้หรือไม่ถ้าฟังพูดไปแล้วเขารับไม่ได้เขา แทนที่จะเป็นคุณกับเขากลับเป็นโทษกับเขาคือเขากลับมาโกรธมาเกลียดเราหรือว่าเรามองเราไปในแง่ที่ไม่ดีเราก็อย่าไปพูดเท่านั้นเองพระอาจารย์ครับผู้ที่ทําบุญมากๆนะครับทําบุญมากๆเลยโดยที่ปัญญายังอยู่ในระดับที่ต่ํามากแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมีอะไรมาคลิกให้เขาเป็นสัมมาทิฐิมากขึ้นอ่ามันจะทําให้เขาเร็วกว่าผู้ที่ไม่ปัญญา อ่เกิดขึ้นไวกว่าผู้ที่ทำบุญน้อยกว่าเขาไหมครับอาจารย์มันไม่มีอะไรแน่นอนของอย่างนี้มันแต่ละลายแต่ละกรณีนี้มันไม่เหมือนกันอย่างองคุลิมาน9้าคนต้องเก้าร้อยเก้าสบเก้าคนมันน่าจะตกนรกหมกไหมแต่มันกลับมากลายเป็นพระอราหันต์ขึ้นมาได้ส่วนพระเทวท่านนี่บวชมาเป็นพระเป็นเวลาหลายสิบปีรักษาศีนั่งสมาธิได้เกิดอภิญญาต่างๆ แต่กลับไปมีมิจฉาทิฏฐิไปคิดว่าตอนนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเป็นมาของนี้มันไม่แน่นอนหรอกแต่ละกรณีมันพูดไม่ได้ว่าคนนี้ทําบุญอย่างนี้มาแล้ว อ, อนาคตจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นขึ้นมามันพลิกได้ทั้งขึ้นพลิกได้ทั้งลงงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเลยคอยดูตัวเราเองก็แล้วกัน คอยเท่าดูตัวเราเองว่าเราอย่าไปพลิกลงก็แล้วกันขอเราพลิกขึ้นไปเรื่อยๆจากศินห้าก็ขอให้ถือสินแปดไม่ใช่จากสินห้าก็เหลือสินสามว่างสินสองว่างตอนนี้ได้แค่สินสี่ครับอาจารย์เพราะข้อข้อเพอร์เจอร์ยากที่สุดเลยครับอาจารย์ถ้าจะเอาสินข้อเดียวก็ต้องสินแบบหนงปู่มั่นสินข้อเดียวก็คือสินใจ รักษาใจตัวเดียวถ้ารักษาใจให้สงบได้รักษาศีลสองพันสองร้อยข้อได้เพราะว่าที่ผิดศีลนี่มันออกมาจากใจที่ไม่สงบใจที่มีกิเลสตัณหาแต่ถ้ารักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต่อให้ตั้งกฎตั้งศีลมากี่พันข้อก็จะรักษาได้หมดอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาใหม่ๆแล้วมี มีพระอาาราันปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากตอนนั้นไม่มีพระวินัยนะไม่มีศีลสองรอยยี่บเจ็ดข้อเลยเพราะท่านรักษาใจของท่านทุกคอนใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีการกระทาอะไรที่เสียหายแต่พอเริ่มมีพวกที่ไม่มีไม่ได้บรรลุเข้ามาบวชไม่รู้วิธีรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปล่อยให้ใจไหลไปตามกร ะ, ะแสของความอยาก มันก็เลยไปทำข้อผิดต่างๆขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องกาหนดข้อห้ามต่างๆขึ้นม า, านั้นถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงสมัยนี้คิดว่าศีลมันไม่ใช่สองร้อยยียนนย่บเนายมันจะสองพันหรือสองหมื่นก็ไม่รู้แะเพราะมันมีเรื่องผิดให้ปรากฏให้โผลข่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าพุทธเจ้าอยู่ก็ต้องห้ามอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ารักษาได้ข้อเดียวคือใจได้แล้วไม่มีปัญหา ใจก็ต้องมีกําลังในการที่จะพิจารณาว่าสินเนี่ยถูกหรือผิดเออก็เป็นพระอรหันต์ไงใจที่บอกให้ใจรักษาใจเนี่ยก็ให้เป็นใจที่สะอาดบอยสุดเป็นพระอรหันตเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ได้ไงอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเนี่ยที่หลวงปู่มั่นท่านพูดหมายถึงรักษาใจให้บริสุดเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยรักษาข้อเดียวเนี่ยรักษาตัวเดียวสินข้อเดียวเนี่ยคือใจ นี่ผิดแต่พูดเปรียบเปรยให้ฟังว่าบางทีเราไปหลงประเด็นว่าโอต้องรักษากี่ข้อคนนี้รักษาแปดข้อเก่งแล้วคนนี้รักษาห้าข้อนี่าจริงมันก็พอๆกันเนี่ยเะ <c oughs> <c oughs> ฉะต้องรักษาอยู่ถ้าคนไม่ต้องรักษาเลยเนี่ยจะน่าว่าเก่งจริงอาว่ามากลับขอเข้ามาเจ้าค่ะการเรียนถาม อ า, อาจารย์ว่าเคยปฏิบัติจนถึงไม่ถึงว่าไม่ใช่จะก้าวหน้าอะไรมากนะคะเห็นอสุภาษตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะคือไปอยู่ห้ า, หาวันเจ็ดวันที่สถานธรรมเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นอสุภาษแต่ก็ไม่สามารถจะออกจากอสุภาษหรือแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะคืออสุภาษที่เราต้องการจะเห็นไม่ใช่ของเราเห็นของคนที่เราชอบของคนที่เราหลงรักเขา ก็จะได้ดับความหลงดับความรักดับการมารมณของเราดูไปไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราไม่รักมันอยู่แล้ว <f ad> เราไม่มีการมารมกับร่างกายของเราเข้าใจไหย <f ad> เรามีการมารมกับร่างกายของคนอื่นเราต้องดูอสุภาพของคนที่เรามีการมารมด้วย <f ad> <f ad> อันนี้ก็ไปเห็นร่างกายของตัวเอง <f ad> ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากว่าอาจจะทําให้เราเห็นว่าเอ่อมันต้องตายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันไม่มีตัวตนมีแต่ตับายไส้พุง ก็จะได้ได้เป็นเห็นว่ามันไม่มีตัวตนแต่มันจะไปดับการมารมไม่ได้ถ้าอยากจะดับการมารมต้องมองส่วนที่ไม่สวยของคนที่เรากำลังมีการมารมด้วยเช่นแฟนเราอย่างเงี้ยถ้าเรายังมีกาลมารมกับแฟนเราต้องดูอัติภาพของเขาแต่นี้เสไม่มีกาลมาลมมา20ปีแล้วก็ดีไม่มีก็ดีแต่แต่ว่าไปชอบปฏิบัติแต่นั่นที่ไรก็ จะดูรูปมาค่ะติดกรับรูปรูปนามอะค่ะแล้วก็จะเห็นอสุภะอยู่บ่อยๆนะคะก็ก็ดูเ<ม>พื่อปวงร่างกายของเราก็แล้วกันขอให้เราอย่าไปยึดติดมันให้คิดว่ามันก็เป็นเหมือนสร้างศพดีๆนี่เองค่ะแต่ถ้าจะให้เจริญไปกว่านั้นจะต้องพิจารณาอย่างไปเรื่อยๆแล้วเจ้าค่ะคือการพิจารณานี่มันเป็นเหมือนการทําการบ้างไงถ้าอยากจะให้มันเจริญกว่านี้ต้องไปเข้าห้องสอบต้องไปที่ไหนที่เรากลัว ไปปล่อยร่างกายไปทิ้งร่างกายไว้กลัวป่าช้าก็ไปทิ้งที่ป่าช้ากลัวเสือกลัวงูก็ไปอยู่กับงูกับเสือขอบพระคุณเจ้าค่ะอย่าติดใจอยู่กับเราดูกันหลวงพ่อแล้วกพูดด้วยความสัตจริงนะครับกผมเองนั้นก็ชอบติดตามและชอบทําบุญชอบปฏิบัตินะครับ อยู่จริงๆแล้วอยู่อย่างผมอยู่นะครับแล้วก็เป็นโยมวัดด้วยนะครับการเป็นโยมวัดแต่นั้นจึงเวลาบอกบุญนั้นผมติดมากๆเลยนะครับจากจะกลับเรียนถามพระเดียวกัหลวงพ่อนะครับตรงนี้การบอกบุญแต่ละครั้งนั้นบางครั้งการบอกบุญนั้นวัดนั้นบอกทําอย่างหนึ่งบอกว่าสมมติว่าบานกระจกนี้ยังไม่เสร็จขอบอกบุญโยมนะ จะยอมมาทำเอาตังค์มาให้แล้วแต่ทางคณะกรรม ก, การนั้นไม่เอาไปทําอย่างเงี้ยจะบาปผิดเจตนาหรือไม่นะครับผมกวัมากเลยไปการเป็นบอกบนโกหกนะครับถ้ามีความตั้งใจจะหลอกมันก็มีเจตนาครับแต่ถ้าไม่ได้ทําด้วยมีความไม่เจตนาเช่นอาจจะยังไม่ทําเพราะยังขัดข้องอยู่หาช่างมาทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่า ไว้เป็นเวลานานพอส่องควรแล้วก็ยังไม่ทําเลยอย่างนี้เราไปติดทั้งไปบอกว่าควรจะทําอย่างนี้เลยไกลไปว่าเราไปพูดกับพระสงฆ์องค์เลนนั้นท่านกลับโกรธเนี่ยผมจะเป็นบาปหรือไม่นะครับเออคนที่โกรธน่ะบาปคนที่ไม่โกรธจะไปบาปได้ยังไงครับเราพูดตรงนี้ไม่ถึงระบอบปุลเข้ามาแล้วฉะนั้นวเวลาพูดกับพระสงฆ์องค์เลนี่พูดกับผมเลนนั้นกลัวนะครับถือว่าเราไม่มีศีลทั้งท่านนะครับแต่นี้นเราบอกปุลเข้ามาแล้ว เขาไม่ทําตามเจตนาตรงนี an, いい้เราก็บอกว่าควรจะทําตามที่ความประทง์ที่ระบอกเข้ามานะครับท่านก็บอกว่าเอาวันนี้ไปใช้ทักงวดก่อนอย่างนี้ก่อนแล้วจะทําังไงครับจะบาปกับผมไหมครับไม่บาปแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นคนทํำคนทํามาเป็นคนบาปแล้วหลวงพ่อจัดหรืจัดเป็นยมวัดลําบากหรือเกินนะครับเวลาพูดอีก เวลาพุทบอกวนเนี่ยบอกวนเข้ามานี้เราจริงจริงแล้วก็ผมไม่คนที่เข่งนะครับถ้าเป็ถ้าเป็นโยมวัดที่ดีก็มีแต่แจ้งกัดเจ้าท่านก็พูดแล้วจะบอกเขาบอกเขาก็ตอนนี้พระดิพุขุนพระอาจารย์เจ้าวาดวัดก็บางครั้งก็ไม่พอใจนะครับแม้กระทั่งกรรมการเองก็ไม่พอใจหรอว่าเราตรงควรไปเราบอกว่าท่นนี้ไม่ถูกต้องนะคือการบอกตรงนี้ก็คืออย่างนี้ต้องบอกเขาว่าต้องทําแบบนี้นะครับม่เคย เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะเราอยากจะพูดเรื่องปฏิบัติมากกว่ า, า, าก็เกิกัรนี้นเขขอขอญาตถามว่ามาตรงนี้แล้วก็กลัวเป็นบาปนะครับกลัวเป็นบาปนะครับบาปอยู่ที่เจตนาและอยู่ที่การกระทำครับสาธุกรับหลวงพ่อเขาจบแค่นี้นะครับ <c oughs> แต่ยิ่งพูดไปมันอาจจะกลายเป็นบาปได้ก็อยากพูดดีกว่าตรงใชใครทํากรรมไดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปนะ อาวคิดว่าเวลาหมดพอดีกําลังจะกลายเป็นทําเมาแล้ว <c oughs> จากทำมากก็จะกลายเป็นทําเมาถ้ามีการโผล่แล้เอิก๊กอักเป็นแบบยาวนานนี่แสดงว่าเป็นทําเมาไปแล้วฉะนั้นก็ขอยุติก่อนที่มันจะเมากันก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเป็นปิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ